ในการพากันเข้าที่นั่งให้เรียบร้อยเลยเราเคยนั่งสมาธิเคยนั่งแบบไหนที่มันสะดวกสบายกับการนั่งของเราที่มันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อกานนั่งสมาธิก็ให้นั่ง าตามสบายของเราแต่ตามกฎระเบียบที่พวกเราเคยได้ฝึกฝนอบรมมาหลวงปู่ครูบาอาจารย์กันก็จะสอนให้พวกเรานั่งคัดสมาธินี่คือระเบียบนั่งคัดสมาธิคือเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้าย แล้วก็ตั้งกายให้ตรงเป็นระเบียบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็นั่งได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ถนัดในการนั่งคัสมัดก็นั่งพับเทียบก็ได้หรือแบบเทพนมก็ได้ อ, อันนี้แล้วแต่ความถนัดอของแต่ละคนคำว่าการถนัด แต่ละคนนั้นนะบางคนถ้านั่งประเทียนะก็ไม่สะดวกนะเจ็บพเกี่ยวกับร่างกายสังขารธาตุขันของเรานะบางทีก็นั่งประเทียบมันก็จะเจ็บจะบปวดทรนะมานนะบางทีก็นะเคยอย่บัติเหตุมาอย่างนี้ก็กมนะีบางคนก็นั่งแบบเทพนมแบบ มาทับซ้อนอย่างนี้ก็มีนะแล้วอยู่อยู่ที่คนเราเนี่ยฝึกอกัารการนั่งสมาธิก็เหมือนกันถ้าเราไม่เคยนั่งนก็จะนั่งไม่ได้นานอแต่การฝึกของเราเนี่ยถ้าเราได้ฝึกบ่อยๆถึงว่าจะนั่งแบบไหนก็นั่งได้นาน จะนั่งพระเพียรตลอดทั้งวันอ่าทั้งคืนก็ได้อันนี้หลวงปู่ก็เคยได้ฝึกนั่งพระเพียบมาเวลา อ, อยู่กับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ อ, อยู่อุปถักต์ดูแลท่านเราก็นั่งแบบพระเพียบนอกจากเวลาท่านสอนนั่งสมาธิเราถึงจะนั่งคัสมาอแต่ก่อนก็นั่ง เพื่เทียบเอาขาไปทางเบี่ยงไปทางขวามือแต่ก่อนหลวงปู่จะนั่งแบบนั้นแล้วก็นั่งมานานเพราะว่าที่นั่งอยู่ข้างแรกมันสลาของเรามันอาจสงมันหันหน้าไปทางทิศใต้ กันแล้วพระประธานอยู่ทางอ่าตะวันออกฉะนั้นเวลาเรานั่งเราก็ต้องนั่งอซอยขาไปทางที่ตะวันตกไม่ให้ขาของเราเนี่ยไปทางพระประธานเนี่ยคือการนั่งพระเพียบอที่นี่ถ้าเราจัดพิธีอ่ามีองค์พระประธานอยู่ทางอซ้ายมือเนี่ยแล้วก็ นั่งเบี่ยงขาไปทางขวามือถ้าเรียนพระประทานอยู่ทางขวามืออย่างนี้แล้วก็เอาขาของเราเบี่ยงมาทางซ้ายมืออย่างที่เรางปู่นั่งอยู่ในขณะ น, นี้นี่คือหนังพระเพียบนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นนี่เวลาเราสังเกตดูถ้าพระที่เข้าใจในเรื่องการนั่ง เวเดานั่งอยู่ในสถานที่เจริญพุทธมนต์ก็เหมือนอก็เหมือนกันนะอะถ้ามีหลวงปู่ผูบายอาจารย์ทั้งนั่งอยู่ทางขวามืออย่างาเช้านี่เราก็เอาสอยขาของเราไปทางอซ้ายมือมาให้มันไปทางองค์เอพระประธานหรือไปทางหลวงปู่ผูบาอาจารย์นี่คือค้อรมัตระวังมาให้มันอเสียหายในระหว่างเรานะ กลัวจะเป็นบาปหลวงปู่ครูบาอาจารย์นั่งอยู่เราก็จะชอยเท้าไปมันไม่เหมาะสมนี่คือกฎระเบียบของพระที่เราเคารพพระมหาเถระอ่าอย่างที่อ่าสมัยก่อนหลวงปู่ไปกับหลวงปู่อ่อนอย่างเนี้ยหลวงปู่ท่านจะไม่สวมรองเท้านะเราก็ไม่ต้องสวมรองเท้าเหมือนกัน ถ้ามีพระเดนเดินมาทางหน้ า, าท่านไม่พูดท่านจะหยุดยืนนิ่งท่านจะชี้หน้าชี่ไปทางพระเดินมาทางหน้าพระนั่นนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะเพราะไม่รู้จักระเบียบนะเป็นพระบวทใหม่ทั้งจะวิ่งออกถนนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่รองเท้าเนะี่ยไม่ได้ หลวงปู่ก็เลยชีย้ลงลงบอกลงชี้ลงเท้าเนี่ยชีย้ลงเท้ากับชี้ลงเท้าหลวงปู่พอถึงเข้าใจก็ถอดรองเท้ากันแล้วก็นั่งลงข้างทางบะนมมื อ, อท่านไม่พูดแต่ท่านอสอนให้เราเข้าใจแบบอ่าให้รู้ไในในพวกนั้นน ะ, ะเหมือนกับว่าอ่ลูกศิษย์ที่มีครูจะ ต, ต้องเข้าใจอย่างเนี้ย นี่คือกฎระเบียบที่นี่วันนี้พวกเราได้มาจัดงานวันขึ้นปีใหม่ในระหว่างช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ก็ถือว่าปีเก่าเราก็ได้ทำมาแล้วตลอดทั้งปีแล้วก็ปีใหม่ ก็เปิดสักกาดใหม่ก็นัดประชุมกันมาทำบุญให้ทานในวันนี้มาฟังพระสงฆ์และพระมหาเีระมาจากมาหลายมาทิศตายทางมาหลายจังหวัดมาเจริญพุทธมนต์ให้เป็นสี่มงคลกับมาสำนักงานของพวกเรา แล้วก็ให้เป็นสิริมงคลกับพวกเราทุกๆคนที่ได้มาทำบุญให้ทานมารักษาศีลแล้วก็มาฟังพัฒรมัมเทศสนาการฟังพัฒ ร, รมัทเทศสนานี่าคือเราฟังแล้วน่ะนะเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติ หรือเราได้ปฏิบัติมาแล้วเกิดความเข้าใจมาพอสมควรบางคนก็ได้ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลา ย, ยาวนานถึงกับได้รับความสงบถ้าได้ฟังทรรมก็ขเข้าใจในเรื่องความสงบก็เหมือนกับว่าเรามีทรัพย์อยู่แล้ว แต่ถ้ามีาซับที่จะมาเพิ่มเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกก็ได้ซั์มากขึ้นไปอีกก็ยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกอเมื่อได้มากาไปเท่าไหร่ก็ดีใจสำหรับพ่อค้าพานิชต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมได้รับความสงบถ้าหลวงปู่คูบาอาจารย์ท่านแนะนาในเรื่องความสงบ เราก็จะเข้าใจในเรื่องสงบพเพิ่มเติมเข้าไปอีกทําให้มีกําลังกําลังจิตนกําลังศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวเองอที่อ่าได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านได้อธิบายธรรมะให้กับพวกเราฟังแล้วก็เข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมเกี่ยวเป็นอันเดียวกันนั่นก็หมายถึงว่าเรา กับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงมานั้นไม่ต่างกันกันกบในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้นี่ก็คือคือจะให้กําลังให้ใจของตนเองนั้นนะเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อนใสมากขึ้นมีศรัทธาแดงกล้ามากขึ้นนี่คือการสแสวงหาธรรม ะ, สะแสวงหาธรรมะจากหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านหลายๆองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติ อ่าประสบการณ์อ่าได้อ่าจนชนิดํำนาญในการอ่าพินิจพิจารณาอ่าในเรื่องกระแสของกิเลสทั้งหลายหรืออ่าเกิดความชนิดํำนาญในการปพตฏิบัติเพื่อจะระงับอ่าความโลภความโกรธความหลงหรือระงับนิวรอ่าต่างๆที่เกิดขึ้น ในจิตของแต่ละคนที่นี่การที่จะเอาชนะนิวรณทั้งหลายไม่ใช่ว่ามันจะเอาชนะง่ายๆก็คือความง่วงเหงาหานอนหงุดหงิดกระวนกระวายออกร้อนออกร่นแม้แต่นั่งอยู่ไม่มีอะไรมาไต่ตามเนื้อตามตัวก็เหมือนกับว่าไต่ไปทั่วตัวอย่างนี้ ทำให้จิตไม่ได้รับความสงบอย่างนี้มันก็เป็นในวนได้แล้วก็ความก็เหงาหานอนอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญเมื่อนั่งสมาธิไปก็มีแต่จะหลับอย่างเดียวอย่างนี้อันนี้ก็ก่อนที่เราเกลี้ยกได้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีก การที่แก้เราจะต้องฝ่าฝืนฝ่าฝืนสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มันเกิดความชานิชานาญการที่ว่าเกิดความชานิชานาญในการแก่อณิวรณ์คือความง่วงเหงาหานอนเราเคยนอนเวลาจีทุ่มอย่างนี้เวลาเรากลับถึงบ้านแล้ว เราก็เคยนอนสี่ทุ่มหรือสามทุ่มแล้วแต่ใครจะนอนแต่วันหรือนอนดึกเอจนเกิดความเคยชินแต่และคนละคนอที่นี่เวลามาปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติให้มันมากขึ้นไปกว่านั้นจะปฏิบัติให้ไปถึงเที่ยงคืนอย่างเนี้ยอย่างที่เราเคยนอนสามทุ่มหรือสี่ทุ่เนี่ยพอถึงสามทุ่มสี่ทุ่มมันก็จะง่วงนอน นี่นี่เราจะนั่งสมาธิไปถึงหกทุ่มอย่างเี้ยังเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงเนี่ยมันจะทรมานมากน้อยเพียงใดนี่แหละการที่เราจะมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อหน้า ต, ต่อตาของเราในขณะที่เรากำลังเล่งปฏิบัติธรรมอยากทำได้มากขึ้นถ้าเรายังจะมาเอาเวลาเดิมอยู่ เวลาที่เหลืออยู่นั้นนะเป็นเวลาที่สําคัญจะเข้าไปถึงเวลาที่จะเข้าสู่ความสงบอในขณะที่เวลาเอจากสี่ทุ่มไปถึงเที่ยงคืนหรือจากเที่ยงคืนไปถึงตีสี่อย่างนี้อเป็นเวลาที่จะได้รับความสงบนี่เป็นจุดที่สําคัญที่เราจะต้องหาวิธีที่จะปฏิบัติให้มันไปถึงจุดนั้นให้ได้ แล้วถ้าเราไม่มีความพยายามไม่มีความมั่นเพียรเราก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปถึงจุดนั้นได้เมื่อไม่ถึงจุดนั้นได้ความเคยชินที่เคยหลับมันก็จะหลับแทนที่จะจิใตใจจะเบิกบานแจ่มใสต่อไปอไปถึงเที่ยงคืนหรือไปถึงตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่จนถึงสว่างอย่างนี้ เราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปรู้ในจุดความสงบจุดวิเวกส่วนนั้นเพราะฉะนั้นการฝึกตรงนี้เนี่ยหลวงปู่คบาจารย์ท่านก็เหมือนกับพวกเราไม่ได้ต่างกันนะถึงเวลานอนก็อยากนอนที่นี่แต่อยากปฏิบัติถ้ามันมากขึ้นท่านก็ใช้นโยบายเวลาที่จะ ปฏิบัติทำให้มันผ่านพ้นไปได้นะถ้าเวลาถึงเวลาที่เคยนอนท่านจะจะไม่นอนท่านจะลุกไปเดินจงกรมนะอยู่ในจงกรมเสียก่อนเดินไปจนถึงเที่ยงคืนจะมานั่งถ้ามันเกิดความง่วงเราไม่เคยผ่านไปหลายวันหลายคืนอย่างที่กล่าวมาเราก็อาจจะง่วงมากขึ้น แต่การที่ง่วงมากขึ้นเนี่ยเป็นการดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเจ็บปวดทรมานมากๆก็เป็นการดีทำไมถึงว่ามันดีในขณะนั้นเราจะเตรียมสติเตรียมความอดทนให้เต็มที่การรวมจิตของเราก็จะพยายามรวมให้เต็มที่จดจ่อเต็มที่นี่ ถ้าเราไม่จะจอดูจิตของเราอย่างเต็มที่มันก็จะเผลอตัวหลับโดยสนิทนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมันเผลอตัวเมื่อใดก็คือเผลอสตินั่นแหละเราเผลอสติเข้าไปมันก็จะหลับวับเข้าไปเลยนู่นแหล ะ, อะนอนอิ่มมาถึงจะตื่นตัวขึ้นมาพอตื่นตัวขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่านั่งอยู่กันเยอะๆอย่างนี้ คนอื่นเขาหนีไปหมดแล้วพระก็หยุดเทศแล้วลงธรรมาทิตไปแล้วเรายังหัวตั้งเพื่อนอยู่ในมะันลุกขึ้นมาแนละ้วงงเลเพื่อนไปไหนหมดเพราะฉะนั้นเรากลัวมันจะขายหน้าเราต้องเข้มแข็งรวมสติให้หนักแน่นบางทีมันวิววิววิววิวเข้าไปเหมือนจิดจะหลับให้ได้นะ อพอมันบิวเข้าไปจิตของเราก็จดจ่อเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเหมือนกันดูมันจะหลับเมื่อไรอถ้าเราสติของเราดูมันจะหลับนี่นะมันไม่กล้าหลับดอกเพราะว่าจิตของเรามันดูอยู่ตลอดเวลานี่คือการฝึกเนะี่ยอารมณ์จิตให้รู้เมื่ออ่มันจะหลับมันจะหลับยังไงเนี่ยคอยดูมันจะหลับเนี่ยไปไหนมันนึง่วงหรือเกินเมื่ะเราจะจ้องดูอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราจดจ้องดูตลอดเวลามันไม่กล้าหลับไงจิตของเราก็จะแหลมคมเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะตัวที่จะดึงเข้าไปก็ดึงเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนก็จะหลับให้ได้แต่สติของเราลู่เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามเข้าไปเรื่อยๆผลสุดท้ายมันวางไงมันวางกายบางธาตุวางขันทั้งหมดไปอยู่ที่จุด เนื้อตัวรู้ดิ่งเข้าไปนั้นเมื่อดึงเข้าไปผลสุดท้ายจิตได้รับความสงบอเมื่อจิตได้รับความสงบมันก็มีที่อยู่ของจิตอ่าอยู่ปกติของจิตเพราะมันรู้ทันต่อกันอ่าเมื่อมันรู้ทันก็จิตเป็นตัวรู้อ่าตัวตัวมารมันก็จะหลบอ่าเมื่อมารไม่มีที่ีกเรื่องไปแล้วไม่มีที่ปีกตัวไป เพราะจิตมันตามรู้อยู่ตลอดเวล า, าผลสุดท้ายก็ไม่กล้าหลบเมื่อไม่กล้าหลบมันก็หยดุดอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อหยุดที่ตรงนั้นจุดนั้นอาจจะเป็นจุดที่เล็กที่สุดตรงนั้นจิตมันจะเล็กที่สุดนั่นแหะคือการรวมจิตจิตของคนเราไม่ได้ใหญ่โตอะไรจิตรวมเข้าไปเล็กๆเน็ด เ, เดียวแแหลมคมเหมือนอย่างปลายเข็มเนี่ย นี่แหละความแหลมคมเนี่ยจะเกิดความสงบหรือเกิดดวงสว่างเกิดขึ้นตรงที่แหลมคมนั่นแหละตรงแหลมแหลมคมนั่นแหลจะเกิดดวงสว่างพอเกิดดวงสว่างแล้วนี่จุดเล็กๆนั่นะจะจุดประกายจุดประกายให้เราเกิดดวงสว่างเกิดขึ้นเมื่อดวงสว่างเกิดขึ้นคำว่าสว่างนี่ก็ ถ้าเราเปรียบเทียบอยู่ในห้องนี้กับถ้ามีหลอดไฟหลอดเดียวนะสมมติว่าหลอดสว่างหลอดเดียวมันแฝนอยู่เนี่ยตรงใยที่ข้างในของดวงสว่างนะดวงหลอดไฟนะั่นมันเป็นเยื่อเป็นใยเล็กๆนะ่ะเป็นใยเล็กๆนะนิดเดียวแต่ทำไมถึงส่องแสงออกสว่างไปทั่วห้องนะีนะ่แหละลักษณะสิ่งที่ในในทั่วห้องของเราเนี่ย มันสว่างออกไปนี่ถ้าเราตรวจดูก็เห็นหมดนะมีอะไรอยู่มุมไหนอ่าทิศใดทางใดรอบๆมันก็จะเห็นหมดน่ะแม้แต่มดตัวเล็กๆตายอยู่ก็มองเห็นนี่นะคือตัวรู้ตัวเห็นเกิดขึ้นจากแสงสว่างที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตมันได้ประกายแสงขึ้นมานี่เป็นกระแสของจิตเนี่ที่สว่างขึ้นมาอ่าเมื่อเกิดความรู้แก้งเห็นจริงอย่างนั้น ตอนนั้นกนะำลังสนุกกำลังตามดูอยู่นะกำลังตามดูเมื่อเรากำลังตามดูอยู่ก็สนุกไปเรื่อยๆเรื่อยๆผลสุดทา้ายจนถึงสว่างโดยไม่รู้ว่ามันสว่างเร็วเหลือเกินอย่างนี้ถ้าเราจิตของเรามไม่เป็นอย่างนั้นมีแต่เก็บมีแต่ปวดมีแต่เมื่อยมันไม่ได้สว่างมันก็เหมือนกับว่า เวลานี่นานเลือกเกินอดทนแล้วอดทนอีกกันแล้วกันอีกปวดแล้วปวดอีกสารพัดอย่างที่มันจะมาลุ่มเล่าจิตใจของเราให้ออกจากสมาธิให้ได้ถ้ายิ่งเรายิ่งอดไปเท่าไหร่ทนไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทรมานยิ่งเหมือนกับเวลามันยาวนานเป็นเมื่อไหร่มันจะจบชั่วโมงนึงเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเหมือนจบนานที่สุด แต่ถ้าจิตของเราได้รับดวงสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรดูแล้วมันมีความสนุกไยจิตมันก็เพิดเปินไปเทอมตามความสะดวกเฉองบอหรือสว่าง เ, าเมื่อมันเพิดเปินไปแล้วเนี่ยเวลาที่เพิดเปินเนี่ยมันหมดง่ายนยแต่ดูนาฬิกาล้วไปหลายชั่วโมงอย่างเนี้ยนี่แหละลักษณะของจิตที่ได้รับความสว่าง อ่ามันเกิดปีติมีความอิ่มมีความเบิกบานเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยมันหมดง่ายแต่ความทุกเนี่ยมันหมดยากนะมันจะยาวนานถึงเป็นเวลาน้อยกิเหมือนกับยาวนานอเวลามีความสุขเราหลงอยู่กับความสุขก็เหมือนกับมีเวลาน้อยในลักษณะนี้ยิ่งเราไปเปรียบเทียบกับบนสวรรค์นะ เหมือนกับบนบนสวรรค์เนี่ยเราไปอยู่บนสวรรค์เพียงหนึ่งวันเพียงหนึ่งวันเนี่ยมันน้อยใช่ไหมหนึ่งวันจริงๆแล้วมันก็เท่ากับร้อยวันเมืองมนุษย์ของเราแต่เหมือนกับว่ามันได้แค่วันเดียวเนี่ยนี่แหละมันหมดมันหมดไวัอย่างนี้เหมือนกับว่าวันเดียวเท่านั้นเองเองไหนได้เมืองมนุษย์เป็นร้อยวันแล้วอย่างนี้ นี่คือความสุขมันมันเพือดเพินจิตของเรานั่งสมาธิก็เหมือนกันไม่ต่างกันกันกบเมืองสวรรค์กับเมืองมนุษย์ถ้าเรานั่งสมาธิจิตของเราได้เกิดฌานเกิดยานเกิดความรู้แก่งเห็นจริงรู้ไปสารพัดในโลกอันนี้เมื่อรู้ภายนอกไปหมดแล้วโลกภายนอกยังมีอดีตที่ผ่านมาในโลก อดีตที่ผ่านมาเป็นอดีตชาติหรจังรู้ไปในอดีตชาติอีกนั่นรู้ในโลกนะรู้ออกไปทางโลกรู้ออกไปทางโลกก็รู้ไปมันเป็นประโยชน์อะไรรู้ไปเป็นประโยชน์ก็คือรู้สุขรู้ทุกข์สุขที่เกิดขึ้นกับภพบชาติของตนเองเป็นหลายภพหลายชาติก็ดีนะแล้วก็ แต่เห็นภพชาติของตนเองที่เคยเกิดมามีความทุกข์ยากลําบากทรมานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสู้เป็นาศาสดาเอกในโลกรู้ว่าตัวเองเกิดเป็นสรีฉันมีมาจีภพกี่ชาติอจนจะได้มาเป็นมนุษย์เยเมื่อเป็นมนุษย์แต่ทุกข์ยากลําบากเป็นมนุษย์ที่ยากจนขินใจไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีวิชาความรู้แล้วก็ไม่มีงานทําแบบเหมือนอย่างพวกเรา รับจ้างกินเป็นวันๆไปก็ทุกอย่างนั้นก็หลายพบหลายชาติทําไมถึงทุกอย่างนั้นอ่าเป็นอะไรมาถึงในทุกอย่างนั้นโอ้ผลที่เราได้ทุกอย่างนั้นก็เพราะเคยผิดศีลผิดธรรมมาเราไม่เคยทําบุญให้ทานนักษาศิลเจริญเมตตาภาวนาก็จะเห็นอดีตชาติของตนเองแล้วเมื่อมาเห็นพบชาติที่ตนเองจเจริญรุ่งเรืองเป็นพ่อข้าพานิษฐ์เป็น นายแพทย์หรือเป็นผู้อภาปษาเป็นนักกฎหมายเป็นนายสามหารกษัตริย์ต่างกันขึ้นมากับพบชาติที่ทุกข์ยากลาบากเป็นเพราะอะไรก็จะเห็นพบชาติของตอนเองเคยสร้างคุณงามความดีอา น, นิสงส์ที่เคยสังสมมาก็ได้ทบีขุนขึ้นมาจนถึงราชามหากษัตริย์ พ้นสธาจนถึงพบปัจจุบันที่ตนเองได้ติสรู้เป็นศาสดาอีกในโลกนี่เพราะอนิสงหรือบาดามีที่ตนเองได้สังสมมาเป็นเวลายาวนานมันมาเต็มเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วเขาเรียกเขาเรียกว่าเห็นพบชาติเห็นความรู้ทางโลกที่เคยเกิดมาแล้วก็เอาวิชาทางโลกนั่นแหละมาสอนในปัจจุบัน สอนตนเองในปัจจุบันเอามาพินิจพิจารณาทำยังไงเราถึงจะไปสอนเวลายาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี่ให้รู้ทำเห็นทำให้เข้าใจเหมือนอย่างเราที่เราได้พบมาได้เจอมาในอดีตชาติถึงปัจจุบันาชาติอย่างนี้นี่คือความทุกข์ในมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีวันที่จะสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้แนะนาสั่งสอน ผู้คนเหล่านั้นก็จะหลงมมงานอยู่ตลอดเวลาเี่เมื่อเราไปแนะนําสั่งสอนทําให้เขาเกิดศรัทธาความเชื่อความเด่นใส่ได้มาปฏิบัติมารักษาศีลเอภาวนาเหมือนอย่างเรามาได้ทําบุญให้ทานเหมือนอย่างเราอา น, นิสงส์ของเขาก็จะเต็มเปี่ยมขึ้นมาก็จะเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเมื่อปฏิบัติทำอา น, นิสงส์นั่นเต็มเปี่ยมขึ้นมาก็จะรู้ทำเห็นทำได้ง่าย เมื่อรู้ธรรมเห็นธรรมสติปัญญาก็เสียบแหลมเข้าไปก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่จะหนีจากโรคไม่กลับไปเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกไม่อยู่ไปใต้อำนาจของกิเลสและตัณหาทั้งหลายอีกต่อไป เ, อเราจะทำยังไงก็จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขาจิตใจของตนเองปลดเปลื้องความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในจิตใจามาอยู่ยาวนานเป็นหลายร้อยหลายพันปีหลายพันพะชาติหลาย เมินชาติอย่างนี้ก็จะปลดเปื้องออกอในจิตใจของตนในปัจจุบันนี้นี่คือดวงปัญญาที่มันเกิดขึ้นจากสมาธินี่ถ้าพูดตามหลักธรรมะเรียกว่าฝึกสมาถกกรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานาส่วนสมาถินี่ทาให้เกิดความสงบขัดเกลาจิตของตนเองจนมีสีมีสันมีแสงขึ้นม า, าที่เรียกว่า ฌานเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดฌานแล้วเกิดความรู้แก้งเห็นจริงขึ้นมาเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็มีสติปัญญาไม่อยากเป็นอย่างที่เคยเป็นม า, าเมื่อเห็นสิ่งที่เราเคยได้สร้างความดีเราก็อยากจะสร้างความดีให้มากขึ้นนี่คื อ, อสิ่งที่เรารู้เกิดความอยากขึ้นมาเรียกว่าปัญญา นะเรียกว่าปัญญาหาวิธีทางที่จะให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรียกว่าวิปัสนาปัญญาเกิดขึ้นนี่ของคู่กันมันมีอยู่สองอย่างนี้่ที่นี่กิเลสทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่ใดน่ะทุกคนมีกิเลสนะไม่มีใครอยากจะมีกิเลสแต่ว่ามันมีกิเลสน่ะที่นี่เมื่อกิเลสมันบงการบางคนก็หลงไหลจนอกินไม่ได้นอนไม่หลับ อไฟฝันอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนอปรุงแต่งอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนนี่แหละทําให้เกิดความทุกข์คนไหนที่ไม่ได้ไปปรุงไม่ได้ไปแต่งไม่ได้คิดอ่าระงับอยู่ตลอดเวลาอดําเนินสติปัญญาพิจารณาอยู่ตลอดเวลาอิ่มอยู่ตลอดเวลามีความสุขอยู่ตลอดเวลา หลับตาลงไปก็มีแต่ความสุขมีความเบิกบานแจ่มใสด้วยความรู้แก่งเห็นจริงในถาดในขันของตอนเองว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสักวันหนึ่งมันจะต้องเสี่ยมสลายลงไปสิ่งที่เรามีอยู่นี้ก็จะแยกออกจากกันถาดดินก็จะไปเป็นถาดดินถาดน้มก็จะไปเป็นถาดนาม้มถาดลมก็จะไปเป็นถาดลมถาดไฟก็จะสลายไปตามกระแสของถาดไฟไปตามอากาศหนาที่ เราไม่สามารถที่จะมองลูกในสิ่งเหล่านั้นได้นี่มันก็จะสลายไปโดยอัตโนมัติเมื่อมันสลายไปแล้วไม่เป็นตัวเป็นตนแล้วหรอกก็แสดงว่าเรานี่ละจากโลกนี้ไปแล้วละจากโลกนี่ก็คือโลกร่างกายสังขารนี่เองนี่เมื่อเราละไปเราได้อะไรไปด้วยไม่มีอะไรได้ มีแต่จิตของเรานี่แหละได้น่ะร่างกายอันนี้ก็ได้ไปแต่ติดสมมติว่าเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนไปแต่เป็นกายทิพย์กายนี่ไม่เหมือนกับว่ามีเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่มันเป็นกายทิพย์เป็นเพียงสมมตุติรูปร่างลักษณะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่มีคนอยู่ร้อยคนผันคนที่ละโลกนี้ไป มีกายทิพย์เหมือนกันก็คงจะจำกันได้เหมือนอย่างที่เราเห็นกันอย่างปัจจุบันนี้เพราะว่าคนนั่นเป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนั่นเป็นปู่ย่าตายายของเราหรือญาติสนิทมิตรสหายของเราเมื่อไปอยู่บนสวรรค์ก็เห็นกันเหมือนอย่างปัจจุบันนี้รู้กันเห็นกันอย่างนี้นี่แหละลักษณะที่มันเห็นนะแต่ว่าการ เจ็บปวดรวดร้าวในร่างกายสังขารในคาถาที่เสวยผลทิพย์อยู่บนสวรรค์นั้นน่ยจะไม่มีอ่าุกขเวทนานะแล้วไปอยู่ที่นั่นถ้าเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้ณขณะนี้นะอากาศอ่าก็จะเย็นเหมือนอย่างขณะนี้พอดีพอดีอย่างนี้แต่อากาศที่เย็นในบนสวรรค์ มีความพอดีเหมาะกับมาธาตุขันของเราไม่ได้เป็นทุกข์แต่ความสงบสนะละเอียดสนิทมากนะละเอียดสนิทมากไม่มีเสียงนะเราเย็นอยู่ที่นี่กำหนดจิตรวมลงไปได้เย็นเสียงไหม ได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงแอเสียงแอ ม, มันมีอะไรอยู่นั้นมันมีทั้งไฟมีทั้งนา้ามีทั้งลมอยู่ที่นั่นมันก็จะพ่นไอเย็นออกมานะเพราะฉะนั้นเหมือนกับร่างกายสังขารของเราเนี่ยมันทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้หัวใจมันทางานลมหายใจ ก, ออก็ออกก็เข้า ตามที่หัวใจมันทำงานบีบมาตัวเข้าไปเราก็คายตัวออกมาอย่างนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามหัวใจบีบมาตัวเข้าไปเราก็คายตัวออกมาลักษณะนี้นี่ก็อาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ต่างกันกับแอร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้แต่การทำงานอของหัวใจ เมื่ อ, อเราเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้บางครั้งนี้เรานั่งอยู่เราได้ยินหัวใจของเราทำงานตึกตึกตึกตึกแต่ถ้าเป็นกายทิพย์เน่มันจะไม่ได้ยินเลยได้ะเอียดสะอาดนะแล้วก็สว่างอยู่มีด้วยอยู่ด้วยความสุขเมญธนาไม่มีเรานั่งอยู่ในเหมือนกับในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้เรายังมีรู้จักว่า เบทนาที่ตรงนั้นเบทนาที่ตรงนี้บางทีก็เป็นเน็บเกิดขึ้นบางทีก็ปวดหลังปวดเอวอสระพัดอย่างที่จะเกิดขึ้นแต่อยู่บนสวรรค์ที่สวยผลทิพย์เนี่ยเรื่องเบทนาอย่างนี้จะไม่มีในร่างกายสังขารธาตุขันนี่แหละไม่เหมือนกับมนุษย์เรา เ, เพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้เข้าไปสู่บนสวรรค์ตาม ความปรารถนาหรือการที่เราได้ทำบุญเอาไว้สั่งสมเอาไว้การทำบุญก็นับตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาส่วนที่จะอยู่น้อยอยู่มากก็แตกต่างกันอยู่เหมือนกับเราอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหล ะ, ะเราอยู่โลกมนุษ์ได้น้อย พอเราทำบุญไว้น้อยนะเราไปอยู่บนสวรรค์เราผลทำบุญไว้น้อยเราก็ได้อยู่น้อยถ้าเราได้ทำบุญมากเราก็จะอยู่นานนะยิ่งเป็นอริยบุคคลขึ้นไปนับตั้งแต่โดาปฏิมัคโสดาปฏิผลขึ้นไปนี่ก็จะไปอยู่บนสวรรค์ยาวนานบางท่านบางองค์บางท่า น, บา ง, ง บ, าานบางคนนะที่ ละสังขารไปแล้วเนี่ยนับตั้งแต่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกขาคาคามิมักสกขาทาคามิผลนานาคามิมักอานามิคามิผลเนี่ยก็จะยาวนานไปเรื่อยๆเรื่อยๆโสดาปฏิมักโสดาปติผลบางทีได้สําเร็จโสดาปฏิมักโสดาปติผลอย่างพนางมหาสิริพนางสิริมหามายาเนี่ย ปารธนาเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่เป็นพระโสดาปติมักโสดาปติพลพระนางจะได้มไม่ได้ลงมาเกิดอีกนับตั้งแต่ประสูติสิทธาาัตถะราชกุมารแล้วก็ได้เจ็ดวันก็สวรรคตเมื่อสวรรคตแล้วก็ไปอยู่สวรรษันดุสิต ดูนภาษีอ ร, ริยเมตัยจะลงมาประสูตรในโลกมนุษย์นะพระนางสิฎิมหามายาก็จะลงมาเกิดในเนืองเืองมนุษย์แล้วก็ถึงจ ะ, ะมีลูกชายมาเกิดด้วยนะดูที่ยาวนานไหมนั่นแหละคนที่ทำบุญไว้ยาวนานนะ ก็คือคนที่จะทําบุญไว่มากอะละกิเลสเนีตัณหาที่มีอยู่คือความโลภความโกรธความหลงอที่มีอยู่ในจิตใจของตนเองให้หมดสิ้นไปหรือเบาบางไปอ่าแล้วก็จะอยู่ที่บนสวรรค์ได้ยาวนานพวกเรายังไม่ได้เข้าใจลึกถึงขนาดนั้นที่ไม่ได้รู้ลึกมากถึงขนาดนั้นเนี่ย ทำไมจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดหลวงปู่ก็เคยมีอยาโยมมาถามอยู่บ่อยๆว่าพ่อของโยมตายไปได้อาทิตยหนึ่งแล้วไปเกิดหรือยังคิดดูสิแสดงว่าไม่รู้น ะ, ะแล้วไปคำนวณได้ยังไงว่าพ่อตัวเองจะมาเกิด นคนอะไรจะไปเกิดง่ายถึงขนาดนั้นที่เกิดมันเกิดในพบ อ, อื่ น, นเกิดได้อยู่ในพบ อ, อื่นในพบิญญาณนาในพบิัญญาณถ้าทาความชั่วก็ไปเกิดในนรกถ้าทำความดีก็ไปเกิดบนสวรรค์อันนี้เกิดได้แต่คำถามนี่เหมือนกับว่าไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วหรื อ, อยังโอ้ยมันจะไปเกิดได้ยังไงเจ็ดวัน คิดดูสิคนไหนอ่ะแต่งงานไปแล้วในก่อนที่จะได้ลูกเนี่ยท้องกี่วันถึงถึงคลอดลูกก็เราลองคิดดูสิมันต้องเก้าเดือนถึงสิบเดือนอหรือแปดเดือนเต็มอย่างเนี้ยบางคนก็เป็นอย่างนั้นถึงจะคลอดนะไม่ใช่ว่าเจ็ดวันเนี่ยมันจะเกิดไปแล้วมันไม่ใช่นะแล้วก็ถามสุ่มสี่สุ่มห้าไปเราก็ตอบ เออเกิดแล้วเราก็พูดไปลองปู่ก็ตอบเลยแหละเกิดแล้วไปเกิดแล้วไปเกิดที่ไหนคนไหนทำดีแล้วก็บอกว่าน่นแหละสวรรค์นี่คนไหนทำบาปก็นู่นแหละนรกบาปไม่มากก็เป็นสัมภเวสีอยู่นู่นแต่ถ้าพูดอย่างนั้นน่ะลูกก็ น, น่าจ๋อยไปเลยนี่ทาไงพ่อหนูถึงจะพ้นจากความทุกข์ เออทำบุญให้ก็บอกไปจะถึงหรือเปล่าอันนั้นถึงไม่ถึงนะั่นนะเป็นเรื่องหนึ่งนะการที่จะทำบุญไปถึงผู้ที่ตายไปนะไม่ใช่ว่ามันจะได้ทันทีนะพระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ว่าการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ละโลกนี่ไปแล้วบุคคลคนนั้น เมื่อไปตกอยู่ในนรกอเวจีออแล้วมีคนจะไปส่งสเสบียงได้ไหมมันอยู่ในกลางทะเลนูน่นน้ําเด็กแดงอยู่นูน่นใครจะเ้าไปส่งได้นะมันก็เอาไปส่งไม่ได้แล้วผลบุญนั่นไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่คนที่ทํำนี่แหละนะออันนี้สงก็จะเกิดอยู่กับคนที่ทํำนี่แหละลูกหลานที่ทํำนี่ยังมาเป็น อได้รับบุญได้รับกุศลอยู่นี่เป็นการสั่งสมบุญกุศลอยู่นี่แต่บุญกุศลที่สั่งสมอยู่นี่นะเมื่อผู้ที่เป็นบิดามารดาหลุดพ้นจากเมืองนรกมาเมื่อไหร่ก็ยังมีส่วนแบ่งอยู่นะนี่มันเป็นภาษาจิตที่แบ่งอยู่ตลอดเวลานะพอพ้นจากนั้นขึ้นมาก็าจะได้รับม า, มารับส่วนบุญส่วนกุศลเมื่อได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้ว ทำยังไงถึงจะได้ไปเกิดนะก่อนที่จะได้ไปเกิดด้ต้องเกิดความสำนึกความสำนึกรับบาปของตนเองรับสารภาพปัะตนเองอได้ทำความชั่วเอาไว้แล้วจะไม่ทำอีกอถ้าทำแล้วมันก็เป็นบาปอย่างนี้ได้ทรมานอยู่อย่างนี้สำหรับผู้ที่เขาไม่ได้ทำบาป เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไปอยู่บนสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นเทวดาสวยทิพสมบัตินั่นเขาได้ทําบุญเราอยากจะเป็นเหมือนอย่างเขาเมื่อเราอยากจะเป็นอย่างเขาเราจะทำยังไงขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วจะไปทําบุญทําทานไปนรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเหมือนอย่างเขาคนนั้นอย่างนี้ เมื่อมีจิตศรัทธาเริ่มใส่ยอย่างนี้ก็บาปก็จะเบาบางลงไปเรื่อย ๆ, อยๆตามกระแสของกิตที่สะสมไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันผลสุดท้ายก็พ้นจากกรรมเมื่อพ้นจากกรรมแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์เลยก็ได้หรือจะสแสวงมาหาที่เกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วตามความสำนึกของตนเองบางคนก็สมปรารถนาที่ได้ปรารถนาเป็นเวลายะระยะ ระยะยาวนานอ่ตั้งแต่ได้สติมาเป็นอาจจะเป็นร้อยปีอย่างเนี้ยอถึงจะได้มาเกิดอย่างนี้การสังสมอนุมโมทนาตามอทีอ่เห็นคนอื่นเขาทําบุญเห็นพวกเราทําบุญอย่างนี้เขาก็อนุมโมทนาด้วยอสาธุอเวลาเราทําบุญอย่างนี้เขาก็จะสาธุอ่อยู่เรื่อยๆรย่างนั้นนะขออนุมโมทนาด้วย ถ้าข้าพเจ้าได้ไปเกิดข้าพเจ้าก็จะมาทําเหมือนกับพวกท่านนี่แหละออย่างนี้ทุกข้างไปบางทีก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์โดยง่ายเนี่ยเมื่อมาเกิดแล้วจิตโคตเป็นบุญเป็นกุศลมีศีลมีธรรมอยู่ในใจเห็นสัตว์ตรรัวเล็กๆ น, น้อยๆก็เกิดเบีตาสงสารแสดงว่ามีศีลข้อที่หนึ่งแล้วแล้วก็มาไม่อ่ขโมยเอาของคอนอื่นอไม่ไป อล่วงละเมิดในสิทธิบุคคลคนอื่นซึ่งเป็นสามีภรรยาของคนอื่นเอหรือไม่ไปโกหกพวกลมไม่กินเหล้าเมายาติดยาเสพติดตให้โทษอย่างเนี้ยเป็นอุบัติสัยเกิดขึ้นมาเลยไม่มีใครไปแตะพ้องในสิ่งเหล่านี้นี่ความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้จากที่เคยเป็นสัตว์โกจากที่เคยเป็นสัมปเวสีจากที่เคยเป็นเปรต ก, ก็มาเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์จะตายจากโลกนี้ไปก็จะเป็ น, เ ป, นเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นส ก, กะเทวราชนนี่เป็นอย่างนี้นี่คือบุญกุศลสามารถที่จะทาคันได้อโดยง่ายอนี่คือการสั่งสมบารมีเพราะฉะนั้นพวกเรามาทําบุญในวันปีใหม่วันนี้เขาถือว่าเรามีความตั้งใจเปิดสกุลบาทใหม่ ก็อยากจะฟังธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีอยู่ในตำราอยู่ในตำราถ้าเราปฏิบัติได้เมื่อไหร่ก็อยู่ในตัวของเราทุกคนพระพุทธเจ้าแบ่งไว้ให้แล้วให้ทุกคนแต่เราจะทำได้มากหรือน้อยนี่มันอยู่ที่กำลังศรัทธาของเรา อยู่ที่การปฏิบัติของเราอยู่ที่ความพยายามของเราเราพยายามที่จะทำความดีอยู่ตลอดเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทาบุญให้ทานรักษาศีลอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราก็จะได้มากนะเมื่อเราได้มากเราละจากโลกนี้ไปเราก็จะไปอยู่สวรรค์นานๆไม่ต้องมาเกิดง่ายนู่นความปรารถนาของพวกเราทุกวันเนี่ยปรารถนา ปรินิพาน น, นี่พานปัจยโยโหตุว่าเกือบจกทุกวันน่ะว่าทุกวันนี่คือความปรารถนาเมื่อปรารถนาอย่างนี้อยู่ไกลไหมนะนีะ่พานปัจยโยโหตุถ้าเป็นคนมีบุญไปอยู่บนสวรรค์นานความสุขถึงจะนาน ก็เหมือนกับว่าไม่นานเหมือนกับว่ายี่สิบปีสามสิบปีถ้าเปรียบเทียบกับโลกมนุษย์ของเราอย่างนี้นน ะ, ะเหมือนกับเรามีอายุยี่สิบปีสามสิบปีหรือห้าสิบปีหรือร้อยปีก็ไปเจอพระเสียริยาเมตไตาแล้วพอไปเจอพระอริษพระเสียริยาเมตยตาพระเสียริยาเมตไตาท่านลงมาตัดสรู้แล้วเราก็มาเกิด มาเกิดก็เลยฟังธรรมของพระองค์นี่ด้วยการสังสมธรรมะอยู่ในปัจจุบันนี้สำลระกิเลสอยู่ในปัจจุบันนี้ทานอยู่ตลอดเวลารักษาศีลอยู่ตลอดเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ตลอดเวลาคอยพิจารณากระแสของกิเลสอยูตลอดเวลาถึงจะมีกิเลสกิเลสนี่ก็รู้จักอพอดีกับกิเลส อพอดีกักิเลสพอดียังไงไม่ให้มันเป็นโทษนะอย่างที่เราเป็นพุทุชนอย่างนี้เรามีครอบครัวมีสามีภรรยาก็ให้ยินดีแต่สามีให้ยินดีแต่ภรรยาของตนเองไม่ร่วงละเมิดอนอกใจกันนี่แหละเรียกว่าพอดอีเมื่อพอดีอย่างนี้สามารถที่จะสร้างบา ร, รมีให้เต็มเปี่ยมได้เหมือนอย่างพระเวสสันดร อ, อย่างเนี้ย พระพุทธเจ้าของเราสวยชาติเป็นพระเวสสันดรในภพสุดท้ายก็มาบา ร, รมีเต็มเมื่อเมื่อบารมีเต็มแล้วมาเกิดเป็นจิตถาราสุกุมาอลูกชายก็ยังปรารถนามาเป็นบุตรชายอยู่อีกต่อไปคือราหน้อยเนี่ยจำเป็นก็ต้องมามีครอบครัวเสียก่อนอมามีครอบครัวเสียก่อนเมื่อมามีครอบครัวแล้วก็พอราหน้อยประสูติออกมาแล้ว พระบิดาก็เสด็จออกน่าพนวดนี่มันก็เป็นอย่างนี้อันิสงถึงเต็มเมื่ออันิสงเต็มแล้วในขณะที่ออกพนวดตั้งใจบำเพ็ญภาวนาจนได้สำเร็จเป็นศ า, นน ส, น ส, าสดาเอกในโลกแล้วก็สามีที่ไปบวชจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีเมตตาได้กลับมาสอน เอาครอบครัวของตนเองนับตั้งแต่พรอบิดาของตนเองนะและจะดอดถึงทายาทนะภรรยาลูกทุกๆคนเนี่ยเอาไปบวชในพุทธศาสนาอันนี้สงลูกเมียหรือบิดามารดาของตนเองญาติพี่น้องของตนเองใครใสร้างบา ร, รมีไหวเต็มแล้วก็จะเข้าสู่ถึงมรรคผลนิพพานได้สำเร็จจิตเป็นพระอราหารันตมรรคอรหันตผล ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นทิกษุณีอรหรันถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นพระอรหรันต์ไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าเป็นทิษุณีเรียกว่าเป็นพระอรหรันนี่แหละคือความบริสุทธิ์ที่เราสะสมอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราที่จะพ้นทุกข์ได้เราต้องพยายามทำจิตของเราให้ได้เข้าสู่ความสงบนะ่ะ เอความสุขที่เราปรารถนะาก็จะได้สําเร็จนัตถิสันติป ร, รังสุ ข, ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบทีม่มีในโลกนี่เวิเดเยทุกข ม, มัดเจติบุคคลที่จะร่วงความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร น, นี่เราเราเพียรเราพย า, พาพยามตั้งใจปฏิบัติน่ถึงเรียกว่าความเพียราเพียรจนถึงความสงบอ่ทั้งสองอย่างนี่ก็จะได้สําเร็จ เมื่อสงบเราก็จะมีความสุขความาสงบจะเกิดขึน้นมาจากความเพียรความพยายามเนี่ยเรานั่งสมาธิเราก็มีสติอมีสัมพชัญญะ า, าคือรู้ออยู่ตลอดไปวลาเนี่ยขณะนี้เราทําอะไรอยู่เอเรามีสติมีสัพพัญญะคือรู้ตัวนีสติกะระลึกได้อสัพพัญญะรู้ตัวอ่ยวิริยะความเพียร ขันติความอดทนเนี่ยใช้ไม่ได้มากาธรรมะอคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มากอาแต่ส่วนที่มากอยู่ในตําราแปดเปื่นสี่พันพระธรรมรขันเต็มตู้พระไตรปิฎกอยูนั้นอันเปิดธรรมของอุะพุทเจ้าอาที่พระพุทธองค์ได้ตัดสั่้แล้วรู้แก้งเห็นจริงอแต่รู้แก้งเห็นจริงอไม่ใช่ว่ารู้คนเดียวรู้สัตว์โลกทั้งหมด ที่ได้รับทุกทรมานนมารวมเข้ากับเป็นกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งสวรรค์ทั้งพระนิพพานทั้งนรกทั้งเปรตทั้งสัมปเวสีทั้งสุรกายตลอดถึงเมืองบาดาลพญานาครู้หมดที่ว่าแต่ละแท่นท่านแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงแต่ละวิญญาณเนี่ยเป็นยังไงบาปกรรมเป็นยังไงรู้หมดนี่คือคาว่าความรู้ รู้ตัวนี้นี่เอามาเป็นธรรม ะ, ะมันทั้งมากมายกายกองแม้แต่ดูคนคนเดียวเนี่ยอาการสามสิบสองนี่ก็มากอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าน้อยนะที่นี่การที่เราจะรู้ในร่างกายสังขารของเราจะรู้จุดใดจุดหนึ่งเช่นขอนคือรู้ลมหายใจเข้าออกนะถึงจะมีอาการสามสิบสองเราไม่ได้ดูถึงอาการสามสิบสองดูเราดูแต่ลมหายใจเข้าดูแต่ลมหายใจออก หายใจเข้าพุทหายใจออกโทอยู่นี่จนมันเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงจากความสงบเกิดขึ้นแล้วน่ะมันรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงก็จะรู้ในธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าประชุมกันเข้าเป็นอ่ดิดนน้ํำลมไฟนะจนครบอาการสามสิบสองมันถึงจะรู้ไปรู้ลึกเข้าไปจนรู้เนื้อหนังเอ็นกระดูกอทั้งภายในภายนอกเนี่ย เห็นหมดทุกอย่างในร่างกายสังขารของเราพวกเราเนี่ยนี่คิดจะรู้่เรียกว่ารู้ในธาตุในขันเมื่อรู้ในธาตุในขันก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ยังไงก่อนที่จะเกิดความเบื่อหน่ายมันก็จะเห็นสภาพของร่างกายสังขารมันก็จะบอกอนาคตนะบอกอนาคตมันก็จะเน่าเปื่อยให้เราเห็นเขี่ยวย่นลงไปแล้วก็ผิวค่ำดาเขียว เน่าเปื่อยลงไปมีกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นมาเหมือนกับซากศพจริงๆอย่างเนี้ยเป็นน้ำหนองไหลเ ย, ยิม่มเนื้อหนังที่เกาะติดอยู่หุ้มกระดูกอยู่นี่ก็จะเปื่อยยุ่ยออกจากร่างกายสังขารสันนิออกไปอแล้วก็จะแปลสภาพเหมือนกับเรื่องจริงเนาะเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยไม่มีใครที่จะไปยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพทุทพะอ่สิ่งที่เราเคยหลงอยู่ มันก็จะไม่หลงอีกเห็นแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายสักวันหนึ่งมันจะต้องเป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งต้องเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้คนอื่นจะต้องเป็นอย่างนี้สัตว์อื่นจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงมันจะเป็นอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เกิดความเบื่อหน่ายนี่ละการที่จะทําให้จิตของเราละกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจของเราได้เอให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงดังที่กล่าวมานี่ เพราะฉะนั้นธรรมะที่อธิบายให้โดยย่อในวันนี้ก็พอที่จะเข้าใจง่ายๆขอให้พวกเราทุกคนจงเอาไปประพฤติปฏิบัติตั้งใจทำความเพียพรพยายามยุตลรอดเวลาทําจิตให้สงบเป็นสมาธิมีสติมีปัญญาคอยชำระอสุภกิเลสที่มันมีอยู่ความโลภมันมีก็ชำระความโลภออกจากจิตใจของตนเอง เราจะชำระความโลภําระความโลภออกจากจิตใจได้ย no ังไงเพราะว่าเห็นโทษของความโลภนี่จะทําให้เกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจของตนเองความโกรธก็เหมือนกันเมื่อเราทําตามความโกรธนื้ความโกรธนั้นก็จะทําให้เกิดเป็นโทษเมื่อเกิดเป็นโทษก็จะทําความทุกข์มาสู่จิตใจของตนเองความหลงก็เหมือนกันเมื่อเราหลงไปก็จะทําให้เกิดโทษ เมื่อเกิดโทษเท่าก็จะทําความทุกข์มาสู่จิตใจของเราเองไม่ใช่ไปเกิดกับคนอื่นเกิดกับตัวของเราเราจะต้องการความสุขเราจะให้ทุกเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเอเพรา ะ, ะ, ะฉะนั้นเราจะไม่ทําตามกิเลส ข, ของเราเป็นเด็ดขาดนี่อต้องเด็ดเดี่ยวอย่างนี้เพราะฉะนั้นอ่ธรรมะงาที่ได้กล่าวมานี้ขอให้ทุกๆคนได้นําไปประพฤติปฏิบัติแล้วสำลักอาสวะกิเลสให้ได้ ในวันปีใหม่จากนี้ไปก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ทาเห็นทมสมความปรารถนาทุกๆคนเทิน